ซีดีธรรมบัญญายชจุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศ ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่งานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข บรรยายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ขอเจริญพรโยมญาติมิตชาวบริษัทอาหารสยามทุกท่านวันนี้อาตมาทั้งสามรูปได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บริษัท ทั้งในส่วนของไร่ที่ปลูกสับปะรดและก็ทั้งในส่วนของโรงงานก็ทางนี้ก็โดยที่คุณโยมนามคุณวัฒน์ถุกซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทได้นิมนต์มาโดยที่ท่านมีน้ำใจศรัทธาแล้วก็มีเมตตาไม่ดีธรรมความจริงนั้นก็จะได้มาตั้ง นานก่อนหน้านี้แล้วโยมโสพลก็ได้นัดไว้ตั้งแต่คงจะสักเดือนมาแล้วแล้วว่าพอดีว่าเกิดเหตุขัดท้องหรเลืองเจ็บไข้เด็กป่วยเล็กน้อยก็เลยเลื่อนมาก็มาในตอนนี้ก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาดู กิจาการของบริษัทก็ได้เห็นทั้งในส่วนของวัตถุดิบที่จะนำํำมาป้อนโรงงานแล้วการผลิตแม้ว่าจะมีเวลาดูสั้นๆแต่ที่ว่าก็ได้เห็นกิจาการวัดโดยทั่วๆไปแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นการมาดูกิจาการเป็นเรื่องเป็นราวาหรอกมาเป็นการที่วันได้พักของ คือว่าเป็นการได้เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยมาที่นี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็คือที่ไล่สับ ป, ปรดก็ไปดูรอบเดียวโยมโสพลพร้อมท้งที่ทางไร่นั้นก็มีคุณชาญวิทย์แล้วก็คุณกีร น, นั น, นก็ได้ พาไปดูจงกระทั่งเรียกว่ารอบบริเวณแต่เวลาจำกัดไปนหน่อยเรีกว่าเดี๋ยวจะมาไม่ทันเพจนี่ก็เลยพอดูผ่านบางจุด ก, ก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เรีกว่าเวลาจะเนิ่นนานก็เลยต้องเดินทางต่อมาที่นี่เพื่อมาฉันเพจเนี่มาที่นี่แล้วก็ได้รับการมอรับโอภาปลาใสจากท่านกรรมการ อำนวยการรอมทั้งพนักงานท่านหนึ่งที่ก็เป็นที่น่านโมทนาก็เป็นบรรยากาศของวัยตรีจิตวิจภาพในหมู่ของผู้ที่อยู่ในนี้เองแล้วก็ท่านที่มาเยี่ยมเยียนซึ่งพอดีก็ประจวบกันนอกจากคณะอัตมาและคณะท่านแนเวเพื่อนรวมทั้งท่านปรหลัด ก, ก็ได้มาเยี่ยมเยียนบริษัทด้วย ก็เลยว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โยมได้มดีมนมาชั้นฉันเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าดีมนต์นมาสแสดงธรรมด้วยนี้มาสแสดงธรรมนี่ก็ถือเป็นรายการส่วนจะเรียกว่าแถมหรือเป็นพิเศษขึ้นไปก็เป็นการมาคุยคุยกันแบบสบายสบายมากกว่าคือจะให้ถือเป็นเรื่องหนักอะไรเลยเราบอกว่ามาฟังพระ แสดงธรรมก็เดี๋ยวนึกว่าแหมเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องของสัตว์วัดอะไรแล้วก็เลยอยากจะรว้<ม>ก็อาจาจะเป็นไปได้ก็ถือว่าอย่างที่ว่าได้มาเยี่ยมเยียนถือว่าเป็นเรื่องเยี่ยมเยียนซะแล้วก็ก็มีการเยี่ยมเยียนก็มีการที่มาพูดคุยสนทนาปลาใสกันก็เป็นทํานองนี้ธรรมาก็ การได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มีโอกาสจะมาพบกับท่านมากๆก็ต้องอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยพาเยี่ยมประเดี๋ยวเดียวก็ได้พบกันไม่กี่คนอันนี้คุณโยมจัดให้อย่างนี้ที่ว่าแสดงธรรมก็เข้าใจให้มีโอกาสได้พบกันหลายๆท่านหลายๆคนนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการอย่างห น, นึ่งนี่เมื่อมาพบกันแล้วก็ได้คุยสนทนาปราใสในฐานะที่เป็นพระก็จะคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องธรรมะให้ฟัง ที่นี้มาในที่นี้เป็นที่ทําง า, น เ, น, งา น, นเป็นโรงงานเมื่อเป็นโรงงานแล้วก็จะคุยเรื่องอะไรก็ต้องคุยกับเรื่องงานแต่มองในแง่หนึ่งนั้นคนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่คยอยากให้พูดถึงเรื่องงานคือตัวเองทํางานอยู่ก็หนักอยู่แล้วแล้วพอมีคนมาเยี่ยมก็มาพูดเรื่องงานอีกแทนที่จะเอาเรื่องสนุกสนุกมาคุยกันนะให้สบายใจ เป็นการที่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาคุยกันเรื่องงานแต่ก็อาตมาก็นึกว่าในแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราพูดเรื่องงานนี่แหละแต่เราพูดให้ถูกแง่มันก็ดีแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตระยะยาวบางทีไปพูดในแง่อื่นเรื่องอื่นสลับเข้ามามันอาจจะสนุกสนานเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเฉพาะช่วงครูชวยามแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับมาทํางานหนักของเราต่อนีนั้าเร า, ผาเผชิญหน้ากับเรื่องงานเลย เนะี่ยเอานะเรื่องงานเป็นเรื่องหลักเรื่องต้องใช้กำลังเรื่องต้องใช้เรียลแรงแล้วก็ใช้ความคิดบางทีก็ถึงกับเครียดเนะี่ยเราพูดกันเรื่องงานนี่แหละเหมือนกับเผชิญหน้ากับความจริงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าที่จริงเรื่องงานนี่ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดผลดีระยะยา ว, ยาวกับชีวิตทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่างานนี่เป็นส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตของเรามันกินเวลาของเรานี่ส่วนใหญ่ของชีวิ ต, วววตทีเดียวอย่างท่านที่อยู่บริษัทนี้เนี่ยก็ต้องสละเวลาให้แก่กิจกรรกิจกา ร, กการของบริษัทเนวันหนึ่งมากอาตมาได้เดินไปชมกิจการแล้วก็ท่านที่นาชมท่านก็เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังก็ได้ทราบการทำงานกันนานอย่างพนักงานที่ ยืนยืนเทาที่มองเห็นนะ่ะท่านบอกว่าต้องยืนบางทีถึงสิบสองชั่วโมงนานมากทีเดียวยืนจนสิบสองชั่วโมงนี่ก็เป็นเรื่องที่หนักทีเดียวก็แสดงว่ามันกินเวลาเข้าไปต้องครึ่งวันแหละววันหนึ่งมียีสิบสี่ชั่วโมงนี่หมดไปสิบสองชั่วโมงกับการยืนอยู่นั้นแล้วก็นอกจากนั้นเราจะต้องไปทํทากิจวัตรส่วนตัวของเราอีก แล้วก็พักผ่อนหลับนอนซะบ้างเนี่ยเวลาในวันหนึ่งเนี่ยเราเหลือไม่เท่าไหร่จากการาแล้วก็เหลือวันพักผ่อนที่ ก, ก็คนละคงจะสองวันอาตมา ก, ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดย แ, แ, ตแต่รวมแล้วก็เป็นอันวัาสารุปได้ว่าเราใช้เวลาไปกับการงานนีวมา ก, การงานครอบครองชีวิตส่วนใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติต่อเรื่องการงานให้ถูก เพื่อให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่อย่างมีความสุขเพราะคนเรานี้ต้องการให้ชีวิตมีความสุขนี่การที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนางนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้แต่ว่าเวลาเรามองว่างานทำให้ชีวิตมีความสุขได้เนี่ยเรามักจะมองยังไงเรามักจะไปมองที่ว่าโน่ผลที่เกิดจากการทำงานแล้วค right you, ือว่าหลังจากทางานแล้วก็ได ja ้เงิน แล้วก็ไปซื้ออะไรต่างๆที่เราชอบใจไปเที่ยวอะไรแล้วก็เรามีความสุขจากการที่หลังจากทำงานไปแล้วได้ผมของงานเป็นเงินเป็นทองไปใช้ใจ่ายแล้วก็มีความสุขจากอ น, นั้นไม่ได้มองว่าเป็นความสุขจากตัวงานคือไม่ได้มองว่าตัวงานนั้นทำให้มีความสุขก็เลยกลายไปว่ามองงานนี้เป็นความทุกข์ไปก็มี บางคนก็มองไปว่าเออเวลาทำงานนี่เราต้องทนทนทำมันไปทําให้มันเสร็จเราจะได้รับผลตอบแทนแนะั่นแหละผลตอบแทนนั่นแหละจึงจะทำให้เรามีความสุขไป ม, มีความสุขตอนโน้นก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าให้เวลาที่เราจะมีความสุขเนี่ยมันเหลือ น, น้อยเพราะเวลาที่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตคือเป็นเวลาที่มีความทุกข์ต้องอดทนคนจานวนมากจะมองเรื่องงานอย่างนี้ก็ แ, แสดงว่า นี่มองจุดว่าความสุขนั้นเป็นผลที่ได้จากงานก็จริงแต่ว่ามองคนละจุดหรือคนทั่วไปจะมองจุดที่ว่าตัวงานไม่ใช่ความสุขแต่ว่าต้องได้ผลจากงานนั้นอีกทีหนึ่งเป็นผลตอบแทนแล้วก็ไปหาความสุขอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าไอตัวงานนั้นก็ไม่ทําให้เราเกิดความสุขโดยตรง ก็เท่ากับบอกว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเรานี่มีความสุขอยู่น้อยกว่าส่วนที่ต้องทุกต้องทนถ้าหากเรามองงานเป็นเรื่องต้องทุกต้องทนก็แสดงว่าชีวิตส่วนใหญ่ที่ต้องทุกต้องทนอันนี้ถ้าเรามองสมัยนี้เราทําไงเราจะให้ชีวิตบองคนให้ของเรานี่แหละมีความสุขให้มากที่สุดถ้างานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราเราก็ต้องหาทางทําให้งานเนี่ย เป็นตัวทําให้เกิดความสุขไนแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตจะมีความสุขและยิ่งกว่า น, นั้นก็คือว่าเอ๊ะตอนที่ทํางานมันก็มีความสุขด้วยแล้วเสร็จแล้วยังได้ผลตอบแทนจากการทํางานไปแล้วก็ไป ม, มีความสุขอีกซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็ลเลยสุขไปหมดเลยสุขสองชั้นสุขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจุดสําคัญนี้ถ้าเราจะทําให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเราต้องมาจัดการกันเรื่องงานของเราให้ถูกต้อง ถ้ามันมีความสุขตอนทํางานไปเลยมิฉะนั้นแล้วชีวิตของเราส่วนใหญ่จะไม่มีความสุขจะมีส่วนที่เป็นสุข น, น้อยกว่าส่วนที่เป็นทุกข์หรือว่าต้องทุกข์ต้องกดเราก็ตกลงกันว่ามาทําให้งานไม่มีความสุขแต่ทํางานให้มีความสุขก็ไม่ใช่มาสนุกกระโดดรถเต็งนะเดี๋ยวจะว่าเป็นงาน่าแบบงานวัดงานรอยกระทงนั่นะก็งานเหมือนกันนะเราเรียกว่างานนะงานรอยกระทงก็สนุกสนะิงานวัด ไปดูน้ำดูเลกเกก็สนุกนะั่นกางงานเหมือนกันนะแต่ว่างานแบบนั้นเป็นงานที่เราไปดูเขาเราไม่ต้องทำเองแต่ว่าที่ท่านพูดอย่างนั้นนี่แสดงว่ามันมีแม่แง่งความหมายแล้วแสดงว่าคนไทยนี่แต่ดเดิมนี่มองงานในแง่สนุกสนานเหมืกันว่าเอ๊งานวัดงานรอยกระทงงานสมกนปานี่ก็ทําไมเป็นงานล่ะงานนี่มันสนุกสนานนี่มันจะเลิศทุกข์ ก็คือคนไทยสมัยโบราณเนี่ยมองว่างานเนี่เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพินมีความสุขนะแม้แต่ไปเกี่ยวข้าวกันก็ยังไปร้องเพลงนะก็นั่งทำงานเหมือนกันก็สนุกคือว่าเราไม่ได้มองเฉพาะไอ้ตัวกิจกรรมที่ทำเท่านั้นแต่เรามองถึงจิตใจที่ว่าให้มีความเพลิดเพลินเจริญใจบันเทิงไปด้วยแต่คนสมัยหลังนี่ มาได้ยินคําว่างานวัดงานสงการงานรอยกระทงเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้มองในแง่ที่จริงมันเป็นงานในความหมายเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยหรอไปมองแต่ในแง่สนุกสนานคือเดิมมันก็เป็นงานจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อประโยชน์แกสังคมนั้นหมายความว่าเป็นงานไปช่วยกันมาทำประโยชน์นส่วนรวมเช่นไปที่วัดแล้วก็ไปช่วยในก่อ็จะดีไซน์เอาสายข้าวัดหรือทํางานช่วยวัดอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรนี้ก็เป็นงานเป็นการนัะ เกี่ยวข้าพก็เป็นงานเป็นการแต่ว่าให้มันพร้อมไปกับความรื่นเริงร่าเริงบันเทิงใจไปด้วยอันนี้ตกลงว่าที่จริงแล้วในงานเนี่ยในความหมายของประเพณีไทยเนี่ยมันมีตัวกิจกรรมที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านจิตใจที่มีความร่าเริงบันเทิงสนุกสนานอีกส่วนหนึ่งให้มีสองอย่างนี่งานที่เราต้องการที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องมีความหมายได้สองส่วน คือหนึ่งตัวงานที่ทำให้เกิดผลสาเร็จของงานนั้นที่เป็นจุดมุ่งหมายของงานให้ได้ผลงานหรือผลดีแตียว่าทำโรงงานสับปะรดก็หมายความว่าได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่มีคุณภาพดีได้ปริมาณว่าได้ถึงเป้ามีเป้าหมายว่าจะทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้แต่ที่ตั้งเป้าไวา้คุณภาพ จะให้ได้ขั้นไหนก็ทำได้และก็สามารถทาให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือตัวงานนั้นต้องให้ได้ผลด้วยและก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเวลาทำงานนั้นให้มีความสุขไปนด้วยถ้าอะไรได้สองอย่างอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าได้ผลสบูรณ์งานที่จะมีดผลสบูรณ์นั้นให้มองดูทั้งสองด้านนี้และสองด้านนี้มันจะกลับมาช่วยกัน ถ้าเราทํางานได้การได้มีความสุขแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีความพอใจที่จะทํางานให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะทํางานให้ได้ผลยิ่งขึ้นแล้วพอเราทํางานได้ผลดียิ่งขึ้นเราก็อิ่มใจก็เลยกามีปิติพอเกิดเกิดความอิ่มใจในผลงานนั้นก็มีความสุขมากขึ้นถ้ามีความสุขก็ยิ่งทําให้ดีขึ้นแล้วก็เลยเป็นลูกโซ่เรียกว่าเป็นตัว ปฏิสัมพันธ์นมีผลย้อนกลับต่อกันให้ได้ผลดีขึ้นทั้งในแง่ผลงานแล้วก็ความสุขนี้ก็เรียกว่าจะต้องมีการปฏิบัติต่องานอยู่่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วางใจต่อ ง, งานให้ถูกถ้าวางใจผิดแต่งานแต่ต้นแล้วก็ไปเลยคาดเลยในอย่างที่ว่าตัวทัศนคติเนี่ยถ้าวางทัศนคติต่อ ง, งานเป็นเรื่องว่าต้องทุกต้องผนแล้วเรามาทนทํางานให้เสร็จแล้วเราจะได้ไปสเสวยผลงานได้ผลตอบแทนแล้วค่อยไปสนุกที่หลัง ตอนนี้ระวางท่าทีผิดและแล้วอะไรตอนอะไรมันจะคาดเคลื่อนไปหมดเลยผลงานก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีจิตใจของเราก็ไม่สบายความสุขก็น้อยแล้วเวลาไปได้ผลตอบแทนไปหาความสนุกสนานคนพวกนี้ก็จะเรียกว่าเลยเถดไปง่ายๆหลงง่ายๆดันเลนไปเลยไปเรียกว่าไปหาความสุขสนุกสนานเขา่าทนทุกข์มานานแล้วเอาให้เต็มที่อะไรทํานองนี้ก็เลยเสียไปเลยและถ้าเขามีความสุข ตั้งแต่ทำงานไปแล้วเวลาเขาเลิกงานไปแล้วเขาไปหาความสุขเพิ่มเติมมัาก็สบายอยู่แล้วก็มันก็เป็นส่วนแถมมามันก็ไม่มีปัญหานี่ก็เป็นวิธีที่ว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าวางใจให้ถูกต้องตรงและว่ามีาท่าทีหรือมีนัศนคติที่ถูกต้องต่อการทำงานและอะไรทำยังไงจริงจะทำให้ทำงานได้ผลด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยก็ เหตุผลง่ายๆที่จะทําให้เราทํางานได้ผลดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยก็คือเราต้องมีความพอใจในงา น, นรักงานนั้นมีความรักมีความพอใจถ้าใจเรารักเราพอใจในงานเสแล้วนี่แม้มันอยากจะทําอยู่แล้วไถมาห้ามก็ไม่อยากจะหยุดไม่ยอมแล้วอยากจะทําอยู่แล้วนใจเราจะทํานีำเพราะฉะนั้นใจมันพอใจจะทํามันก็ทํำด้วยใจรักมันก็ทําได้ ตั้งใจทําแล้วก็ทําแล้วก็นอกจากได้ผลแล้วก็มีความสุขในขณะที่ทําได้แต่นี้ว่านอกจากว่าตั้งใจวางท่าทีต่อ ง, งานให้ถูกต้องอย่าไปมองเป็นเรื่องต้องทุกขต้องทนแล้วก็มีใจรักเนี่ยจะทํำยังไงละจะทํายังไงให้เราเกิดความพอใจรักทึ้งมาเราจะพอใจรักงานได้เนี่ยมันก็ต้องเห็นคุณค่าของงานนิดสักหน่อยเอาละก็ต้องมามองขั้นต่อไปเห็นคุณค่าของงานนั้น จะเห็นคุณค่าอย่างไงคุณค่าของงานนี่มีหลายอย่างภาวนาไปได้มากมายหลายแง่ถ้าเรามีมองเห็นคุณค่าของงานหลายแง่หลายด้านเนี่ยเราจะยิ่งมีเหตุผลที่จะทําให้เกิดความรักงานมากขึ้นคุณค่าของงานประการแรกง่ายที่สุดก็คืออะไรคนทุกคนก็มองเห็นคุณค่าของงานประการแรก ก็ต้องมองไปที่เรื่องของการได้ผลตอบแทนต่อผลตอบแทนนั่นก็คืออะไรก็คือเครื่องเลี้ยงชีพปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเราก็รู้ว่าอ๋องานนี่แหละมาทําให้เรามีเครื่องเลี้ยงชีพทําให้เราเป็นอยู่ได้ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตของเรามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีคุณตอบชีวิตของเรางานมีคุณต่อชีวิตทําให้ชีวิตของเรานี่ยํารงอยู่ได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นสิ่งที่มี มีเมื่อมีคุณต่อเราเราก็ควรจะรักจะชอบมันนอกจากว่ามีคุณต่อชีวิตของเราแล้วก็หมายถึงครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราด้วยเราทํางานได้แล้วเรามาอยู่ห่างบ้านบางทีเราเก็บเงินได้แล้วยังส่งไปช่วยบ้านเราไปช่วยพ่อช่วยแม่ในท้องถิ่นอะไรอีกก็ร mm. ู้สึกว่าโอ้งานนี้มีคุณค่ามานนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีคุณต่อชีวิตเราก็ควรจะรักมัน อย่างคนเราได้กันน้พายเป็นคนที่มีคุณต่อชีวิตของเราเราก็มีความรักให้เขาด้วยมีความรู้สึกที่ดีงามอันนี้ก็เป็นของท่านง่ายๆพื้นฐานอันดับที่หนึ่งแต่ว่าที่จริงงานไม่ได้มีคุณค่าแค่นีง้งานยังมีคุณค่าต่อไปคุณค่าของงานข้อต่อไปก็คือว่างานนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้กิจการของโลกของสมมังคม ของประเทศชาติมันเป็นไปได้และงานบางทีก็เป็นประโยชน์โดยตรงเลยต่อชีวิตของผู้อย่างงานโรงงานสับ ป, ประรดโรงงานอาหารนี่ไม่ว่าจะทําสับ ป, ประรดหรือทำอาหารทําผลไม้อื่นก็ตามแหละก็เป็นเรื่องอาหารของมนุษย์เป็นปัจจัยสี่อย่างหนึ่งเขาจะชอบเขาจะพอใจรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของคนทั้งหลาย เมื่อทำไปแล้วก็เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แก่เพื่อนมนุษย์อยื่นเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้เรารู้เข้าใจคุณค่าสิ่งที่เราทำว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นอกจากว่าเป็นงานเป็นสุจริตแล้วนะก็ยังเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตอื่นด้วยช่วยหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ให้เขาได้มีอาหารรับประทานแล้วก็ได้อาหารที่เขาพอใจ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกด้วยว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เราลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความพอใจว่าเราทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างโรงงานอาหารสยามนี่นอกจากว่าทำอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์หล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับสังคมประเทศชาติส่วนรวมนด้วย อาตมาได้ทราบว่าผลผลิตจากที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยออกนอกประเทศเื่อออกนอกประเทศต้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือทาให้เงินตราเข้าประเทศประเทศไทยเรานี่ต้องการเงินตราเข้าประเทศมากเรามีปัญหาเกี่ยวกับดุลการค้าเราเสียดุลการค้ามากเอานะหาว่าที่นี่ส่งอาหารออกไปต่างประเทศมาก เราก็มีส่วนสาคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศในการเสียดุลการค้าแก้ความเสียเปรียบของประเทศนํำรายได้เข้าประเทศอันนี้ก็มองกันในแง่ส่วนรงมว่านี่ก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาตินั้นเรามานี่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของโรงงานของบริษัทก็เท่ากับว่าเหล่านี้ได้ช่วยกันทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยมานึกขึ้นมาแล้วก็ ให้มีความสบายใจเวลาทํางานก็รู้สึกเออนี่เราก็กําลังทําประโยชน์แห้ประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งด้วยนอกจากทําอาหารอร่อยอร่อยให้คนรับประทานแล้วก็ยังช่วยเหลือเศรษฐกิจกของชาติอีกด้วยนึกขึ้นมาแล้วก็สบายใจมีความภูมิใจปลื้มใจก็เรียกว่าเกิดปีนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอา้าทีนี้มองไปอีกงารนี้ยังมีคุณมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรอีกคนเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ย เราต้องการความเจริญกานะ้าวหน้าการพัฒนาตนเองนะให้มีสติปัญญามีความเก่งกล้าสามารถมีความชำนิชานาญในเรื่องอะไรต่างๆความเก่งกล้าสามารถชำนิชานาญของคนในแสดงออกที่สำคัญก็คืองานของเขานั่ยอันนี้เราต้องการที่จะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นเราก็จะต้องมีการพัฒนา ส่วนสำคัญของชีวิตที่ทําให้คนพัฒนาตนเองได้ก็คืองานในการทํางานนี่เป็นการพัฒนาตน mm. เองเป็นการฝึกฝนตนเองในทุกด้านถ้าเราอยากจะเป็นคนจเจริญก้าวหน้าเป็นคนมีคุณภาพเราต้องการพัฒนาตนเองเราก็มาพัฒนาตนเองที่การทํางานนี่ยใช้งานได้เป็นเครื่องพัฒนาตนเองการทํางานได้เป็นการพัฒนาตนเองที่สําคัญว่า จะมองกันยังแงเอาความเก่งกล้าสามารถก็ได้ความสามารถในงานในชีวิตของเราเนี่ยก็เกิดจากการทางานแต่ว่าเราต้องตั้งใจทำทำให้ถูกต้องแล้วก็พยายามทำให้ดียิ่งๆขึ้นไปคอยสังเกตคอยดูคอยศึกษาอะไรอยู่เสมอคอยสอบถามคอยหาความรู้อะไรต่างๆในพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถในการงานขึ้นมา การพัฒนาตัวเองให้มีความเกกล้าสามารถในการทางานนีนอกจากว่าผลภายนอกคือการที่ว่าเช่นอาจจะได้ผลตอบแทนหรือว่าในการเลื่อนชั้นเลื่อนระดับงานแล้วก็มีผลในภายในตัวเองซึ่งว่าภายนอกเราจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตามแต่ตัวเราเรารู้ก็คือการที่เราเนี่ยมีความ ช, มนชมนานิชานาญทำอะไรได้ดีขึ้นซึ่งเขาจะไม่ มีผลตอบแทนให้หรือเขาจะมีก็แล้วแต่แต่ว่าเรารู้สึกในตัวเองเราทําไปแล้วเราก็สบายใจของเราให้รู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรแล้วทําได้ดีขึ้นเนี่ยคือการพัฒนาตนเองแล้วให้มีความภูมิใจสบายใจในตัวเลยไม่ต้องไปรอว่าให้คนอื่นเข้ามาบให้ผลตอบแทนเพราะนั้นมันเป็นสองชั้นตอนที่หนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยได้แน่นอนก่อนเพราะฉะนั้นบางคนที่ไปมองแต่แง่ว่าเออเขายังไม่ให้ผลตอบแทนเราเรายังไม่ได้รับรางวัล ถ้าไปรอบแบบคนกัมนั้นแล้วก็อาจจะทําให้ผิดหวังอันนั้นเป็นส่วนของคนอื่นเขาจะให้ไหมให้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เราได้แน่นอนก็คือตัวเราเองเราพัฒนาความสามารถขึ้นมาเราเห็นกระจัดชัดกับตนเองอั น, นั้นเราได้ตลอดเวลาจากการทํางานถือว่าการทํางานเป็นการพัฒนาตนนอกจากพัฒนาในความชนิชชนายความเก่งกล้ า, ส า, าสามารถแล้วก็เรื่องนิสัย การเป็นอยู่ในสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปด้วยถ้าเรารู้จักทํานิสัยของเราก็ดีขึ้นความเป็นคนมีระเบียบวินัยความขยันความอดทนนี่มันฝึกไปในตัวเสร็จเลยการความรู้จักสังเกตความมีปัญญาใหตรู้เข้าใจพิจรารณาเหตุผลในการแก้ปัญหาเราฝึกพัฒนาตนเองอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนั้นนี่คือลักษณะชีวิตที่ดีงามต้องมีการพัฒนาต้องมีการก้าวหน้า แล้ก็งานนี้แหละถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องมันจะเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราดังนั้นเราก็มองว่างานนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตมีคุณภาพมีการพัฒนาแล้วเราก็มีความสุขกับการทํางานไม่ว่าได้ทํางานเราก็ได้พัฒนาตัวเออันนี้นอกจากนั้นแล้วก็คือบรรยากาศบรรยากาศในการทํางานความมาาาีมิติจิตวิจารคภาพยินแย้มแจ่มใสต่อการในหมู่ผู้รว่วมงานแล้วก็ นอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกสวัสดิภาพอะไรต่างถ้ามีความเป็นอยู่ดีว่าเหมาะสมทางพร ท, าทา่านเรียกว่าเป็นสัพายะสัพายะก็คือบรรยากาศสภาพแวดล้อมสถานที่อยู่อะไรต่างปัจจัยต่างเนี่ยันเครือกูลณต่อการที่จะดำรงชีวิตก็จะทำให้เราสบายใจไม่ห่วงไม่กังวลแล้วเราก็พอใจในการทำงานด้วยก็ส่งผลสัตย้อนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวประกอบแวดล้อม ซึ่งทําให้เราเนี่ยทำงานได้วความสบายใจมีความรักความพอใจงานเกิดขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออย่างที่บอกพี่เนี่ยตอนต้นเนี่ยตอนน้ยตอง ต, ตั้งท่าทีให้ถูกต้องต่องานอย่าไปมองงานเป็นเรื่องที่ต้องถุก ต, ต้องโกรต้องมองงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็เกิดความรักความพอใจงานพออย่างนี้แล้วเราก็ทํางานได้วความสุขมีความตั้งใจเวลางานเดินหน้าไปพอมีความรักงานและผล า ม, มาก็คือว่าพอรักงานนี่เราก็อยากจะทำพออยากจะทำพองานมันเดินหน้าไปหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันได้ผลแล้วมาได้ผลเราก็เกิดความอิ่มใจผลงานที่เกิดขึ้นแต่ละระยะเนี่ยทำให้เกิดความอิ่มใจและทำให้เกิดความสุขทางภาพเราะเรียก็ปีติเป็นกระบวนการของจิตใจที่จะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีคนที่ทางานอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีความเครียด ถ้าคนไม่มีปีติไม่มีความอิ่มใจจา ง, งานมีงานเดินหน้าไปก็ไม่ได้นึกเข้าไปมัวใจไปหวังโน่นเลิกงานแล้วจะได้ไปสนุกสนานใจไปอยู่ที่โน่นเนแล้วก็เลือกไปมองที่ผลตอบแทนใจมันไม่อยู่กับ ง, งานแล้วตอนนี้ยทีนี้มันใจไม่อยู่กับ ง, งานก็หาความสุขจาก ง, งานไม่ได้มันก็กลายเป็นต้องทนต้องทุกในการทำงานใจมันก็ไม่สบายเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าตั้งค่าดีที่ผิดต่อ ง, งาน ก็ต้องทําใจให้มีความสุขรับงานไปเลยแต่ที่ว่าพอใจรักงานแล้วงานก้าวไปนิดมันก็อิ่มใจจากการที่ได้เห็นผลงานก้าวไปทีละหน่อยแล้วน่อยมีความสบายใจตลอดทุกขั้นตอนและนอกจากว่าจะมีความรักงานทํางานไปด้วยใจสบายมีความสุขแล้วก็เห็นผลงานแล้วก็มีความสุขมีปิติมากยิ่งขึ้ น, นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทําใจตัวเองตลอดเวลาไปมีสติเตือนใจตัวเองว่าทาใจให้ร่าเริงผองใจ แต่เร hey, ื่องใจของเราเนี่ยเราปรุงแต่งได้ปรุงแต่งให้ดีก็ได้ปรุงแต่งให้ร้ายก็ได้ปรุงแต่งไม่ดีก็หมายความว่าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจบุ่มบัวเศร้าของเดือดร้อนกระห่กระายอันนี้เราก็ปรุงแต่งได้ไปนึกอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างที่ว่าเกิดอยากจะไปโน่นไปนี้ยังไม่ได้ไปตอนนี้ทำไมยังไม่ถึงเวลาสักทีฉันอยากจะเริกงานไปทำด้นยไปสนุกที่นั่นดียังเหลืออีกต้สองชั่วโมงแนวคิดรออย่างนี้เอาแล้ว ตอนนี้ปรุงแต่งขึ้นมาท่านเองก็คิดปรุงแต่งใจพุ่งสร้างกระบวนระบายตอนนี้ทํางานก็ไม่มีความสุขเกิดความเครียดขึ้นอันนี้เราปุงแต่งในทางที่ดีก็ร่าเรินสนุกสนานเออทางานเออเรามองงานที่เราทําอยู่ข้างหน้าไปแต่ไปคิดเดี๋ยวถึงเวลามันก็เลิกงานเองแหละมันครบอ่าสิบสองชั่วโมงก็สิบสองชั่วโมงแปดชั่วโมงก็แปดชั่วโมงครบอะไรก็เหมือนนั้นเวลามันยุติธรรมกันทุกคนเน่ยมันไม่เคยเอาเปรียบใครเราไปคิดเอาเองว่าเวลามันช้าเหลือเกินอ่ ถ้าทำไมเราก็เพราะเราไปรอมั น, นใช่ไหมถ้าเราไม่รอมันก็อยากเหมันก็ไม่ช้าเนี่ยเราก็ทําไปเวลามันอย่างที่ว่าเวลานี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเสมอกัร น, นีแต่ว่าเวลาตั้งใจถ้าตั้งใจผิดมันก็ทําให้เวลาช้าเรื่อเร็วตามแต่ว่าเราจะตั้งใจมันนี่เราก็ทำใจให้ถูกแล้วก็ รู้อยู่ว่าเวลามันเป็นอย่างนั้นของมันตามธรรมชาติเราก็เอาใจไอยู่การงานของเราทําใจให้ราเรื่นกางานสนุกสนานการงานท่านบอกว่าปรุงแต่งใจให้ราบรื่นเกิดบานราเรื่นเกิดบานท่านนี่ก็ปราโมททาใจให้ปราโมทเวลาทํางานนี่ทําให้ราดเรื่นเกิดบานพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสนึกถึงงานก็ทําให้ราเรื่นเกิดบานตื่นสติตัวเองอยู่เลยพอเรารู้สึกว่าใจชักขุ่นโม่เอ๊ะเอาละนึกได้เอนี่เราชักจะไม่ได้การแล้วม嘛 ใจเราชักเดือดร้อนเราคนประวายชักจัดคุมหมดเศร้าหมองไม่ได้ไม่ได้ผิดแล้วบอกว่าต้องน้าเรินเบิกบานพอเราได้สติอย่างนี้เราเตือนตัวเองเราก็บอกใจตัวเองพอบอกใจตัวเองเราก็ทําใจหน้าเดินทำได้อันนี้อยู่ที่ฝึกอันนี้เราก็ปรุงแต่งใจของเราปรุงให้มันดีปรุงให้เป็นดีมันก็ดีปรุงไม่ดีมันก็ไม่ดีมานเหมือนกับอาหารเราก็ปรุงแต่งได้ปรุงให้มันหน่านกินหรือปรุงให้ไม่ น, น้านกินอันนี้ใจเราเราก็ปรุงได้ ปุงของข้างนอกอยังปรุงได้ปรุงในใจตัวเองทำไมจะปรุงไม่ได้นะก็มาปรุงใจตัวเองปรุงได้ของดีๆนึกแต่สิ่งที่ดีนึกงานในแง่ดีอะไรต่างนึกให้มันสบายใจทํางานก็ร่าเริงไปกับงานเบิกบานไปกับงานนะพอมีร่าเริงปั๊บนะทำงานได้ใจร่าเริงเขาเรียกว่ามีปราโมดพอมีปลาโมดแล้วต่อมาทํางานไปงานมันเดินหน้าไปมันก็อิ่มใจว่างานมันก้าวหน้ามีผลเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อย เกิดถ้าเรียกว่าปีติอิ่มใจพอมีปีติอิ่มใจนะสบายใจถ้าบอกมีปัจจทตีความผ่อนคลายในการใจจะไม่มีความเครียดคนที่ทํางานอย่างนี้เรามีปีติอิ่มใจแก็สบายใจไม่เครียดมีความผ่อนคลายสงกเย็นมีปัจจิตีแล้วก็มีความสุขมีความสุขก็โปร่งใจโล่งใจไอ้ความสุขนี้แปลว่าโปร่งโล่งใจมันไม่มีอะไรมาบิดท่านติดขัดขัดข้องคำว่าทุกข์นั่นแปว่าบิบทั้น คนที่มีความทุกข์ก็คือมีอะไรมาผิดพานใจตัวเองถ้าบีบพันกายก็เรียกว่าทุกข์กายถ้าบีบพันใจก็เรียกว่าทุกข์ใจในคนจำนวนมากมีเอาอะไรอะไรมาบิดพันใจตัวเองก็เรียกว่าทําให้เกิดความทุกข์ใจหรือว่าบางงั้นก็ติดขัดทับล้องไม่โปร่งไม่โล่งทีนี้พอคล่องใจสะดวกใจโปร่งโล่งใจก็มีความมีความสุขแล้วต่อไปท่านก็บอกว่าใจมันก็มั่นคงเสมอก็แน่วแน่ ทำอะไรใจก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่คุ้งซ่าไม่กระวนกระวายอันนี้ทะเลกว่ามีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ่นเขามีสมาธิแล้วจิตใจเราสงบตั้งมั่นแน่แน่แล้วจะคิดยาอะไรจ่อะไรมันก็ขาดคิดมันก็เดินปัญญามันก็เดินแต่ใช้พลังจิตไปทํางานอะไรแม้แต่ว่าไปทํากรรมฐานก็นเป็นสมาธิก็ได้ผลดีด้วยอันนี้ดีไปหมดเลยเพราะนั้นนี่ตกลงว่า เป็นเรื่องของการที่ว่าทําให้ชีวิตของเราได้มีความสุขเป็นแท้จริงเพราะว่างานเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้การทํางานนี่เป็นตัวนํามาสความสุขแล้วก็สุขในการทํางานนั้นด้วยสุขตั้งแต่รวลาทำงานนั่งต่อไปหลังจากงานางแล้วขณะทํางานก็มีความสุขเสร็จงานก็มีความสุขเพิ่มอีกและก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกอย่างหนึ่ง น, นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่า ทำให้ชีวิตมีความสุขโดยที่เอางานเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ขอชีวิตนี่ก็ถ้าหากว่าเราทํางานได้อย่างนี้แล้วก็คือความหมายของงานที่เราได้พูดกันมาตามวัฒนธรรมของเพณงินไทยที่บอกว่าไปงานวัดงานสงกรานต์ก็มองกันในแง่สนุกสนานบันเทิงเราก็มาทํางานของเราแม้แต่ในโรงงานเนี้ยให้มันมีจิตใจที่บริบานสดชื่นของสอย่างนั้นด้วย ตัวที่รู้เข้าใจคุณค่าของงานและมีสติเตือนตัวเองให้คอยทําใจให้ร่าเริงเกิดวัน่านี้และชีวิตของเราก็พัฒนาไปด้วยแต่ชีวิตคนที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายยังสูกต้องนี่แหละเป็นชีวิตที่เจริญก้าวมาทำแมแต่สิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาคือ ง, งานเป็นของประจําเนี่ยเรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไปปฏิบัติต่อสิ่งอื่นไม่ค่้ถูกต้องเหมกัน เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจำของเราตลอดเป็นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญการงานนี่แหละทางพุทธศาสนาท่านนี่ก็เป็นกรรมคำว่ากรรมนั่นคือการกระทาการจะทําในชีวิตส่วนใหญ่ของคนก็คืองานเพราะฉะนั้นคําว่ากรรมในความหมายที่ละเอียดที่สุดก็คือเจตนาที่ทําการเจตนาในใจนี่เป็นตัวที่ทําให้เราทำโล่ทนทานี่แล้วก็ เวลาทำออกมาเป็นกิจกรรมภายนอกเราเรียกว่ากิจกรรมทีน um. ี้ถ <nothing. S 1> ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นหลักของชีวิตก็เรียกว่าเป็นงานในเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีความหมายหลายขั้นในกรรมในความหมายที่เป็นกว้างที่สุดก็คืองานที่แต่ละคนมงานพระพุทธเจ้ากลัสบอกว่ากรรมทุกนาวัตติโลกโกโลกนี้เป็นไปตามกรรมโลกนี้เป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปตามเนี่ยท่านพื้นฐานก็คืองานของคน เน่คนมนุษย์ที่มาทํางานกันในสังคมนี่แหละเป็นตัวบรรดาลให้โลกให้สังคมเป็นไปโลกสังคมจะเป็นไปก็ด้วยกิจกรรมสังพันธ์คืองานของคนที่ทำเนี่ยอาชีพการทํางานเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องนําให้โลกให้สังคมเป็นไปในโลกสังคมประเทศไทยเอาแต่สังคมประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยู่ที่งานที่คนไทยเนี่ยทำ ดันั้นเราจะให้สังคมประเทศชาติของเราเนี้ไปในทานไหนก็คนแต่ละคนที่มาอยู่ในประเทศเป็นพลเมืองก็ต้องทํางานให้สูุกเรื่องการให้เป็นงานที่จะนําประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและงานในความหมายต่อมาก็คือว่าคนที่สุดแล้วกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยมาจากเจตจํานงในใจเจตจานงเจตนาความตั้งจิตตั้งใจและเป็นตัวที่ ปุงแต่งสร้างสรร์ทุกสิ่งอย่างโลกมนุษย์นี้เป็นโลกของเจตจํานงโลกองความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์สังคมมีความเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างต่างเหล่านี้เนี่ยนมนเป็นเรื่องของเจตจำนงความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นซึ่งต่างจากโลกของสัตว์ทั้งหลายโลกของธรรมชาติที่มันไปแบบหนึ่งแต่โลกของมนุษย์นี่เป็นโลกของเจตจำนงโลกของเจตนาปรุงแต่งสร้างสรรค์ดังนั้นท่านจึงบอกว่า รอกนี้หรือสังคมเเป็นเป็นทับตามหรือเป็นเป็นตามตามของมนุษย์ถ้าก็มองความหมายหลายชัน้นนี้คนที่มีเจตจานงเจตนาปรุงแต่งสร้างสรรค์ที่คิดเก่งเนี่ยจะเป็นผู้คิดริเริ่มในการที่จะนํำสังคมให้การเปรลี่ยนแปลงและบางคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตามวิธีนั้นสังคมก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็คือการงนานนี่แหละที่ทำให้สังคมเป็นไป เพระนั้นเราเนี่ยมีส่วนที่จะปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งสังคมปรุงแต่งโลกให้เป็นไปต่างๆเราก็มาช่วยจะปรุงแต่งในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชนการงานที่เป็นอาชีพสุจริตก็เป็นส่วนที่จะช่วยปรุงแต่งนำโลกไปในทางที่ดีงามให้โลกร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเพียนซึ่กันและกันและยิ่งทำงานนั้นไม่เพียงแต่สุจริตแต่ยังเป็นงานที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ด้วยก็เป็นการหล่อเลี้ยงให้โลกนี้ได้มีความสุขเจริญก้าวหน้าิงยิ่งขึ้น ก็ให้เราได้มีความ พ, พอใจในสิ่งที่เราทําในถูกต้องตั้งงานเป็นต้นไปก็ปเมื่อเรารู้คุณค่าของงานเราก็มีความพอใจทั้งงานและเลืลขึ้นมาเพรอะไรเราก็ได้มีความผิดใ จ, จว่าเราได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชนแล้ววันนี้ก็พระมาก็ได้มาพบปะ ก, กับโยมญาติวิทีชาวโรงงานชาวบริษัทนี่ก็เป็นผู้ที่ทำ ง, งานทำ ง, งานที่สืบสิทธิ์ทำ ง, งานที่สร้สางสรรค์เป็นประโยชน์ก็ข อ, อให้เห็นคุณค่าแห่งงานของตนเอง อย่างที่พระมาได้กล่าวมาแล้วแล้วก็นอกจากเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องทำจิตใจของเราให้สบายมีความสุขด้วยและจิตใจของเราที่สบายและมีความสุขนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราทำ ง, งานที่เป็นประโยชน์กับสูรุมได้ผลยิ่งขึ้นด้วยมันก็จะยิ่งอาศัยซึ่งกันและกันผุกพันกันไปอย่างนี้มีความเจริญกล้าหาจริงจริงปีนไปนก็ตกลงว่าเราทำนี่ ให้ชีวิตของเราเนี่ยได้จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆส่วนที่ได้นี่ก็มีทั้งสองด้านก็คือด้านที่ว่าเป็นตัวงานซึ่งอาจจะออกมาเป็นผลเป็นวัตถุด้านหนึ่งแล้วก็ด้านของจิตใจที่มีความสุขมีความสบายมีการพัฒนานของชีวิตอยู่เรื่อยให้ได้อยู่เรื่อยไปนี่เราก็เอาอันนี้มาตรวจสอบเราก็ดูว่าการทำงานของเราการดาเนินชีวิตของเราเนี่ มันได้เจริญก้าวหน้าขึ้นหรือไม่การที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนี้มันก็ก็ดูจากหน่วยย่อยที่เจริญก้าวหน้าไปปีห น, หนึ่งนี้มันก็มาจากแต่ละเดือนมาจากแต่ละวันเราก็มาสํารวจเลยคนที่จ ะ, จะเจริญจริงๆเนี่ยเขาต้องสํารวจแต่ละวันเลยสำรวจมาแต่ละวันว่าในแต่ละวันนี้เราได้พัฒนาได้ผลเพิ่มปู๋หรือเปล่า ถ้าไปหมวดสารวจชา้าๆเดือนปีหนึ่งทนำะไมไม่ทันหรอกคนทะีเ่เขาจะมีฐานะดีขึ้นและตั้งตัวได้เนี่ยเขาต้องสํารวจแต่ละวันว่าท่านเลยสอนเตือนไว้เลยนะนะมีคำที่เป็นพุทธภาสิตอยู่บทหนึ่งเนะจําไว้ได้ก็ดีเอาไว้สํารวจตัวเองท่านบอกว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างจําเป็นคติเลยนะถ้าจําวันนี้ได้แล้วก็จเจริญงอกงามแน่เลย เพราะแต่ละวันเราจะสํารวจตัวเองสารวจตัวเองว่า mm hmm. ออวันนี้เราได้อยังไงกนะ่อนจะนอนสำรวจทีนี้ถ้าเราสํารวจถ้าเราว่าได้เราก็มีความพอใจถ้าเรายังรู้สึกไม่ได้เนี่เท่ากับตือนติแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องพยายามทําให้ได้ผลแล้วต่อไปจะต้องให้รู้สึกว่าได้ทุกวันเขาได้ทุกวันแล้วปีหนึ่งไม่รู้ได้เท่าไหร่เดือนนึ่งก็เยอะและ้วปีหนึ่งก็มากมายเัาจะได้สํารวจแต่ละวันเลย mm hmm. าทางคราน่าน บอกเป็นคาถาภาษาบาลีบอกว่าอะไรอโมพันธิวสังกจีระอเปนะภูเคนาวจำเป็นคาถ า, mm hmm. ไ า, าไว้ก็ได้คาถาอย่างนี้มีประโยชน์คาถาบางคนท่องไปไม่รู้เรื่องท่องไปไม่รู้ความหมายเลยแต่คาถาที่จะ ม, มาให้ใช้ด้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้าเป็นคาถาที่ได้ผลศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วเรารู้ความหมายเป็นประโยชน์แท้จริงบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกอโมพันธิวสังกจีรา อเปนะภูเกนะวะท่านี้อมโมขังทิวสัมกยีราอเปนะภูเกนะวะแปลว่าเวลาแต่เวลาแต่ละวันจะให้ผ่านไปปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเออเอาแค่นี้นะแต่ละวันแต่ละคืนนี้สรวจตัวเองทนี้ที่ว่าได้เนี่ยหลายคนก็มองไปงี้ได้เงินก็จะไปคิดแค่นั้นชีวิตพวกเราไม่ใชได้แค่นั้นชีวิตพวกเราจะได้ความสุข นะเราได้เงินมาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงให้มีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วจะมีความสุขแน่นอนเงินยังไม่ใช่หลักประกันนะมันเป็นตัวเอื้อให้มีความสุขแต่ไม่ใช่หลักประกันให้มีความสุขบางคนได้เงินมามากก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นได้เงินไม่พอถ้าได้งานเอออีกแล้วได้งานงานนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเรารู้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตในการพัฒนาตนในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติสังคมเอ่ เราได้งานไหมวันนี้งานได้ผลได้มาแต่แล้วก็ได้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นและต่อมาก็คือได้ผลในจิตใจได้หรือล่าในจิตใจของเราได้หรือไม่เราทําอะไรต่างๆที่เราทําเนเพื่ออะไรหาเงินหาทองเพื่อจะให้มีความสุขและเสร็จแล้วเราได้ความสุขหรือกปล่าให้สํารวจแต่ระวันบางคนไม่เคยสํารวจเลยเป้าหมายคือความสุขแต่ไปมองที่ได้เงินเสร็จแล้วได้เงินแล้วไม่ได้ดูว่าเราได้เงินมามีความสุขหรือเปล่า เสร็จแล้วเลยหาเงินตลอดชาติไม่มีความสุขสักสีนะฮะก็ไม่ได้เดื่อนตกลงว่าํารวจเลยตำรวจแต่ละวันนี่แหละด้านเงินด้านงานด้านทําประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แต่ามาลงท้ายที่จิตใจได้มีความสุขมีความสงบมีควา ม, ม, วามจเจริญของจิตใจไหมจิตใจมีความพัฒนาก็มีความสุขอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความราบรื่นเบิกบานใจมีความอิ่มใจ มีความอ่อนคลายสงบเย็นกายใจมีความกลอดโรงคล่องใจมีความสมบงมมสมบมั่นคงแนว่ๆของจิตใจสํารวจนี้ถ้ า, าเราดูจนกระทั่งึงจุดนี้แล้วก็สบายใจเรียกว่าดูครบวงจรไม่ใช่ดูแค่โน้นอย่างเดียวไม่ครบวงจรได้วัตถุอย่างเดียวไม่พอเพระนั้นสํารวจว่าที่ได้แต่ละวันเนี่ยต้องให้สํารวจครบวงจรได้แต่วัตถุที่ยาจจกมานจ่กระทั่งถึง ส า, าระในจิตใจของเราที ụ, ch ay, ay, dai, ่เป็นนามธรรมละเอียดโดยสุดว่าความสุขความสงบของจิตใจความร่าเดินงบนลานใจได้ไหมต้องให้ได้แต่ละวันก่อนจะนอนหลับอย่างน้อยว่ามันเครียดมาทั้งวันแล้วมันเศร้าหองขุ่นโัวมากสอนจะนอนให้มันกิ้มกับตัวเองได้ก็จะมีนะจิ้มแต่งใจแล้วทาใจให้ร่าเริงแม้แต่นอนนัจะรุ่งแต่งได้แตใจของเราเวลานอนนั่งนอนเวลานอนลงไปอนอนแล้วก็วางตัวให้สบายนะ แล้วปล่อยมือปล่อยท่าแล้วบอกตัวเองบอกสบายให้มันได้สักหน่อยก็ยังดีนะทําใจแค่นี้มันนําตัวเองจิตใจของคนเราเนี่ยมันนําตัวเองได้พอนอ น, นอนแล้วเราบอกตัวเองว่าสบายแล้วก็ทําใจให้สมบเราบางคนนี่ไม่เคยนึกใจไม่มีเวลาพักเลยแล้วร่างกายไม่ได้มีพักท้อตายพักแล้วใจไม่พักอีกิี่ปุ่นวายมุนเงินง ทานพระแต่ก่อนคนโบราณเ้าเรียกว่ากลางคืนเป็นพันกลางวันเป็นเปรี้ยวหมายความาร้อนรุ่มตลอดเวลาเพราะนั้นต้องมีวิธีการอย่างน้อยเราพักผ่อนกายแล้วก็ให้ใจพักด้วยบอกตัวเองมันสบายอย่างนี้แล้วก็ที่ดีก็ทําทใจให้ลาเริงเรืองบาให้มีความสุข <S <S ถ้าเกิดนอนไม่หลับจะเป็นทุกข์วคนนอนไม่หลับก็ไปซําเจอตัวเองไอ้ตัวมันนอนไม่หลับก็บแยกอยู่แล้ว ยังไปทุกข์กระวนกระวายเพราะความไม่หลับโอ้ทาไงเราก็ไม่หลับสักทีก like ็นอนเป็นทุกข์อยู่งั้นแล้วก็เลยพอถึงเช้านี่หลอเหล่อะไรโง่งเวงจะเป็นลมเอานี่ถ้านอนไม่หลับไม่เป็นไรชั่งมีเทคนิคหลายอย่างนะจะลองท่าใหญ่พาชั่งบอกว่าเอาลองกําหนดลมหายใจนับหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสักห้าสิบครั้งเนึง บางคนนับไม่ทันครบแร้วก็ไปโดนนอนไม่หลับไม่ถึงห้าสิบครั้งหลับไปไม่ได้ไม่รู้เนี่ยลองนับรงอันใหญ่ถ้านอนไม่หลับทีนี้เอาบางคนนับแล้วก็ไม่หลับมีเหมือนกันห้าสิบครั้งไม่หลับร้อยครั้งก็ไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงบอกอีกคาถาหนึ่งบอกหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างภาวนาเลยหายใจเข้าหลับก็ช่างหายใจออกไม่หลับก็ช่างถ้าทําใจนี้สบาย มันไม่หลับทั้งคืนพอถึงเช้าก็ไม่เห็นค่อยเปลี่ยนเลยเอออาตมาเคยป่วยแล้วมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันเริ่มงของความเจ็บป่วยนะก็ต้องทําบอกว่าหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างจังหวัดรถไฟเออย่างนี้ได้ผลถึงเราจะไม่หลับเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่คนที่ไม่หลับแล้วใจว้าวุ่นเนี่ยไปห่วงตัวเองกังวลไม่หลับเนี่ยโอ้โหพอถึงเช้านี่เปลี่ยนแทบแย่เลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถึงมันไม่หลับก็ช่างเหมืน เราก็ได้พักใจของเราไปพอสฝึกฝนแล้วพักใจายไม่พักก็ให้ใจมันพักเนี่ยหลับก็ช่างไม่หลับก็ชั่งในใจพักสบายก็มีแหละมีวิธีการทำใจตกลงว่าถ้าทําอย่างนี้เราได้ทุกวันเนี่ยไม่เสียชีวิตในไม่สิ้นเสียเปล่าได้กําไรเรื่อยอันนั้นเอาคาถาพระพุทธเจ้าปไปใช้ในคาถานี้ชะ ง, งัดสักติดแน่นอนเนี่ยบอกวา่าอะไรเมื่อคิด อโมคังทิวสังกัจิราอัพเณรภูเกดวาเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยทให้ได้อะไรบ้างเอาละถ้าคนที่มีความเพียรขยันมากยี่งกว่านี้อีกนะพระพุทธเจ้าบอกคถาไว้สั้นกว่านี้อีกไอ้เมื่อกี้มันยังยาวนะอันนี้ให้มันสั้นลงไปอีกเวลาก็สั้นลงบอกทโนโวมาจัพพโนโวมาอุปัจฌาท่านนี้เอง บอกเวลาแต่ละขณะดอย่าให้ร่วงไปเปล่าโอ้โหเอาหนักเข้าไปอีกเลยนี้นี่ในคผู้ปฏิบัติทำแล้วท่านให้เปลี่ยนวยญญามขนาดนี้แม้แต่ละขณะก็อย่าให้ผ่านไปเสียจะแปลตามตัวบอกว่าเวลาแต่ละขนาดอย่าร่วงท่านไปเสียอย่าร่วงพระอย่าร่วงสมายความมันมันข้ามตัวเราไปโดยเราที่ไม่ได้ทำอะไรนี้ก็เป็นพิสติต่างๆซึ่งอาตมาคิดว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์ในการทำ ง, งานและในการดำเนินชีวิตของ ทุกท่กานทุกทุกคนก็ขอนํามาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิดในทางธรรมวันนี้จะมาก็ใช้เวลาที่ประชุมไปมากแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอโนโมนาแต่คุณโยมผู้เป็นประธานกรรมการและก็ท่านกรรมการ อ, อุปการคุณโยมหลาคนแล้วก็คุณชาญิทย์เป็นต้ทนทุกๆท่านเลยที่ได้พนักงานทุกท่านชาวบริษัทที่ได้รอบรับ เราก็มาพบกันในบรรยากาศที่ยินมแย้นแจ่มใสอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทำให้มีความสุขก็ขอให้ความสุขนี้เกิดขึ้นในใจของทุกท่านแล้วก็ดำลงอยู่ยากยืนพัฒนาเพิ่มขูยิ่งยิ่งขิ้นไป